สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยยี่สิบสามเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ยี่สบแปดพี่น้องครับในบทที่แปดนี้นะครับของพระธรรมฮีบรูผมพยายามที่จะบอกกับพี่น้องว่าหากเรามองกลับไปในภาพรวมตั้งแต่บทที่สี่ เรื่อยไปนะครับจนถึงบทที่สิบสองเราจะเห็นความดีกว่าความเหนือกว่าของพระเยซูในฐานะทรงเป็นมหาปุโรหิตที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ในห้าด้านด้วยกันผมขออนุญาตทบทวนนะครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตที่ดีกว่านะครับนั่นเป็นการแรกเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปุโรหิตแบบเก่าคือระบบปุโรหิตของอารรน ซึ่งทุกคนจะต้องเป็นคนในเผ่าเลวีครับ น, นี่เกินประการแรกพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นเผ่าเลวีพระเยซูไม่ได้อยู่ในตระกูอลอาโรนแต่พระเยซูมาตามพระสัญญาครับมาตามคําปฏิญาณของพระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นมหาผลิตที่ดีที่สุดครับประการที่สองครับพระเยซูนั้นทรงเป็นคนกลางครับคนกลางในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่อยู่กลางหรือผู้กลางภาษาอังกฤษเรียกว่าเมดิเอเตอร์ เมดิเอเตอรระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มนุษย์กับพระเจ้าทรงเป็นคนกลางที่ดีกว่านะครับหรือดีที่สุดประการที่สามครับพระเยซูทรงปนิบัติในวิสุทธิสถานที่ดีกว่านั่นหมายความว่าวิสุทธิสถานนี้นะครับตั้งอยู่บนสวรรค์นะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วและประการที่สี่ครับพระเยซูทรงถวายเครื่องบูชาที่ดีกว่าคําว่าเครื่องบูชาที่ดีกว่านั้นก็คือ พระชนชีพของพระองค์หรือชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวและไม่มีครั้งอื่นๆอีกเป็นเครื่องบูชาที่สําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ประการสุดท้ายกับพระเยซูจึงเป็นผู้ที่พรงทรงหยิดยื่นพระสัญญาให้กับเรานะครับทุกอย่างที่ดีกว่าเหนือกว่าเพราะฉะนั้นคําสัญญาที่เกิดขึ้นนะครับจากพระเยซู จากสิ่งที่เยซูส่งกระทำบนไม้กางเขนจากสิ่งที่เยซูกระทำเพื่อเราทั้งหลายและโดยความรักของพระองค์นั้นทําให้พระองค์นั้นได้เป็นผู้ที่นับว่าหยิบยื่นพนันธัญาที่ดีที่สุดให้กับพวกเราทั้งหลายทุกคนเนะคกับในเช้าวันนี้เราอยู่ในฮีบรูบทที่แปดนะครับผมจะพูดไปจนทั่งถึงจบบทนี้ก็คือถึงข้อที่สิบสามนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ ข้อที่แปดจนถึงข้อที่สิบสามพี่น้องครับขอพี่น้องได้มีโอกาสก็เปิดพระวจนะพระเจ้าไปด้วยกันผมจะอ่านนะครับในฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งให้พี่น้องฟังในเท่าวันนี้ฮีบรูแปดข้อแปดด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่าองค์พระผู้เป็เจ้าตรัสว่าดูเถิดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชาติยูดาห์ เป็นพันธสัญญาที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาในเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาไว้องคุณพระเจ้าตรัส ด, ดังนี้แหละ <c oughs> นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับชนชาติอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุพระธรรมของเราไว้ในจิตใจของเขาและเราจะจารึกพระธรรมบัญญัตินั้นไว้ที่ในดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราและเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ําต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด เราจะกรุณาต่อการาธรรมของเขาและจะไม่จดจาบาปของเขาไว้เลยเมื่อโปร่งตรัสถึงพันธสัญญาใหม่โปร่งทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วนั้นก็จะเสื่อมสู์ไปพีน้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เปรียบเทียบระหว่างพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่านั้น พระเจ้าได้ส่งทำพันธสัญญากับบรพรพบุรุษของพวกอิสราเอลแต่ทั้งนี้ทางนั้นในที่สุดแล้วอิสราเอลนั้นละเมิดคําสัญญาเพราะฉะนั้นคําสัญญาเก่านั้นจึงยกเลิกไปพี่น้องครับตรงนี้หมายความว่าไงเราจะมาดแูแต่ละข้อแต่ละข้อไล่ไปนะครับในข้อที่แปดได้บอกว่าพระเจ้าตรสตินะครับติเขาติเขา ว, ว่าองค์พระเจ้าตรัว่า ดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทาพันธสัญญาใหม่กับวงวันอิสราเอลและวงวันยูดาเพื่อนครับเราเห็นนะครับว่าความผิดนั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้ให้พันธสัญญาครับความผิดอยู่ที่ผู้รับพันธสัญญาแรกก็คือพวกคนอิสราเอลพวกเขานั่นเองในนี่สื่อถึงชนชาติอิสราเอลชัดเจนครับเพราะว่าพวกเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้า หลังจากนั้นผู้เขียนพระธรรมฮีบรูก็ยกข้อความผีเดิมหลายข้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตัดล่วงหน้าแล้วถึงพันธสัญญาใหม่นะครับผู้เขียนฮีบรูท่านได้ยกในพระธรรมอิสยาห์บทที่หกสิบเอ็ดข้อที่แปดนะครับชัดเจนมากครับต่อไปในข้อที่เก้าพันธสัญญาใหม่นี้เราจะมาดูกันนะครับว่าไม่เหมือนหรือต่างจากพันธสัญญาเดิมอย่างไร ข้อทีก้าได้กล่าวว่าพันธสัญญาใหม่นี้จะไม่เหมือนพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนําเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพียงครับเหตุผลที่พระเจ้าไม่อยู่ในพันธสัญญาเดิมกับชนชาติอิสราเอลต่อไปก็คือพวกเขานั้นไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้รักษาพันธสัญญาเดิมอีกต่อไป ชนชาติอิสราเอลไม่เพียงแต่ไม่ได้รักษาเขาอย่างละเมิดกับล่วงละเมิดพันธสัญญาที่พวกเขาได้กระทําผ่านทางโมเสสนะครับพวกเขาได้ทําพันธสัญญากับพระเจ้าผ่านทางโมเสสที่ภูเขาชีนายเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จึงยกเลิกพันธสัญญานั้นเสียและส่งสานาพันธสัญญาใหม่ครับด้วยเห็นนี้เองพระเจ้า จึงได้ละเขาว้พวิ่งจะมีคำว่าจึงได้ละเขาว้นั่นคือปัจนี้พระเจ้าได้ทรงไม่ทรงถืออีกต่อไปว่าตรงไม่ถืออีกต่อไปว่าชนชาติอิสราเอลดํารงอยู่ในพันธัญานั้นต่อไปนะครับแต่ตรงนี้พี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าชนชาติอิสราเอลไม่ได้เป็นพลละไพ่ของพระองค์ตามพันธัญญาของพระเจ้าอีกต่อไปคําว่า ชนชาติอิสอเอลนั้นเป็นชนชาติของพระเจ้าหรือผลลัพธของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นพันธัญานิรันดร์ครับเป็นพันธัญาที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากับอับราฮัมยังมีผลบังคับใช้อยู่ถึงแม้ว่าชนชาติอิสอเอลได้ทําพันธัญาอันหลังกับโมเสสนะครับแต่พระเจ้าทําให้พันธสัญญาที่มีกับโมเสสนั้นเป็นโมฆะแต่พันธัญา ในเรื่องของชนชาติของพระเจ้าชนชาติที่รับการเลือกสรรนั้นยังอยู่ครับพี่น้องตรงนี้เองนะครับขอบอกกับพี่น้องว่าหลายหลคนเข้าใจผิดคิดว่าชนชาติอิสราเอลนั้นไม่อยู่ไม่อยู่ในพันธัญญาอีกต่อไปคาว่าไม่อยู่ในพันธัญาอีกต่อไปนั้น ม, มีความหมายจํากัดเฉ พ, พะเาพะาพันธัญญาที่พระเจ้าทํากับโมเสสแต่พันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับอับราฮัมนั้นยังคงอยู่ครับ นี่คือสิ่งที่ปั้งพีกำลังจะบอกกับพวกเราถ้าดูต่อไปครับในข้อที่สิบถึงสิบสองพระเนะของพระเจ้าได้ทำให้เรารู้ว่าผู้เขียนฮีบรูนั้นเริ่มยกข้อความจฉกเยี่มีบทที่สามสิบเอ็ดข้อที่สามสิบเอ็ดเพื่อจะนำเสนอข้อได้จริงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงตัดล่วงหน้าถึงการมาของพนันธสัญญาใหม่แล้วนานแล้วด้วย ตัดล่วงหน้าถึงการเกิดมาของพันธสัญญาใหม่ไว้นานแล้วเมื่อพันธสัญญาเดิมได้ถูกจารึกบนแผ่นศิราพันธสัญญาใหม่นั้นถูกจารึกในดวงใจนะครับในความคิดกิจใจเมื่อพลัญงานปรุดของพระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ภายในตัวของผู้เชื่อเมื่อผู้เชื่อนั้นเกิดการบังเกิดใหม่ครับพี่น้องครับพันธสัญญาใหม่นั้นเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายทุกคนครับในการทาเช่นนี้ เราจึงกลายเป็นประชากรของพระเจ้าและเป็นชนชาติของพระองค์ในพันธสัญญาใหม่และพระองค์ก็ได้เป็นพระเจ้าของพวกเราเยเรมีกล่าวต่อไปมองไปข้างหน้าถึงวันที่พระเยซูจะทรงปกครองและครอบครองบนโลกนี้ในวันนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพยานแก่เพื่อนบ้านของเราเกี่ยวกับองค์พระเจ้าแล้วอันนั้นคือวันที่ยังมาไม่ถึงเพราะว่าในวันนั้นทุกคนจะรู้จักพระองค์นั่นหมายความว่าในยุคพันปีครับ นะครับยุคพันปีเมื่อพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ครอบครองทั้งพิภพทุกคนจะรู้จักกับพระเยซูนอกจากนี้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทาสำเร็จบนไม่แหงเข น, นะครับในพระสกิจแห่งการทรงไถ่ของพระองค์ คนเหล่านั้นที่บัดนี้ได้วางใจเชื่อในพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดก็จะได้รับพระสัญญาของพระองค์ครับว่าเราจะกรุณาต่อการอาธรรมของเขาและจะไม่จดจําบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปพี่น้องครับนี่คือการันตีในพันธสัญญาใหม่ว่าความบาปของเราทั้หลายจะถูกยกหมดครับพี่น้องอาเลลุย่ะพี่น้องครับนี่คือการถูกยกนะครับความบาปของเราด้วยพระโลหิตประเสริฐและการขึ้นพระชนของพระเยซูพี่น้องครับ นี่คือความกรุณานะครับพระเยซูพระเจ้าจะกรุณา์ต่อการอาธรรมของเราคําคาว่ากรุณานั้นคือการลบล้างพระอาญาครับสื่อถึงการที่พระเจ้าผ่าพระไทยเพราะพระโลหิตที่ไหลออกของพระเยซูกิตชาระล้างความบาปของเราเมื่อพระหิตนั้นถูกประพรมบนพระที่นั่งกรุณาในส่วนรค์นะเพื่อเป็นค่าไถ่อันเป็นนิรันเพื่อชําระบาปของเราราทกิจนี้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้ว พระเจ้าจะไม่จดจําความบาปและความอาธรรมความชั่วช้าอีกต่อไปนี่คือพันธสัญญาใหม่ครับเพราะฉะนั้นพันธสัญญาเดิมได้กลายเป็นของเก่าไปแล้วนะครับม่านในพระวิหารได้ขาดลงแล้วนะครับการที่ต้องนําเลือดมาถวายในวันลบมนพินบาปตามบัญญัตินั้นของโมเสสได้ไร้ประโยชน์ไปเสียแล้วเพราะพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาที่ดีกว่าเพราะพระวิหารนะครับที่กรุงเยรูซาเล็มก็จะถูกทําลายลงนะครับในไม่ช้าในปีคศเจ็ดสิบ ถึงตอนนั้นครับระบบการถวายบูชาของพวกยิวตามพันยาเดิมได้สิ้นสุดลงไปพร้อมๆกันเพราะคือการเสรื่อมสูญไปขอพรเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะเข้าใจเพิ่มปีตอนนี้อย่างชัดเจนอาเมน